ทีนี้ต่อไปว่ากันที่ 2 หิมวรรณกาลหิมวรรณกาล ไอ้เมือง ก็ได้เป็นผู้มีพระรูปอันอุดมเนี่ยนะ 16 ปีก็งามมากครั้งนั้นพระ 16,000 เนี่ย นางพุสดีนั้นจุติจากดาวดึงส์เทวโลกนั้นแล้วก็บังเกิดในขัตติยสกุลได้ทรงอยู่ร่วมกับด้วยพระเจ้าสัญชัย บรรดาพร 10 ประการที่เราให้แก่พระนางพุสดีพร 9 ประการนั้นสําเร็จแล้วเนี่ยนะก็คือเสร็จไปเยอะละจึงก็เลยคิดว่าเอ๊ะโอรสอันประเสริฐเป็นข้อ 1 ยังไม่ ยูดาว 36 ล้านปีแล้วก็จะหมดอายุท้าว ให้พระโพธิสัตว์เนี่ยถือเอา 60,000 ก็จตุติเหมือนกันเนี่ยนะก็ เทพบุตรอีก 60,000 ก็บังเกิดในเคหสถานแห่งอัมมาต 60,000 คนเนี่ยนะก็คือหมายความว่ารุ่นนี้ พระเจ้าอาชาศัตรูนะพออยู่ในครรมาดาเนี่ย นะอันนั้นเป็นเค้าเรียกว่าแพ้คันอ่ะนะดื่มเลือดพ่อแล้วจึงหายก็หายว่าๆไม่ทราบ สร้าง 4 ประตูเนี่ย 4 ประตูสร้าง 4 ประตูแล้ว 1 โรงแล้วโรงนึงเนี่ยนะแล้วก็ต้องสละทรัพย์ 6 แห่งแล้ว ทีนี้พระเจ้าสัญชัยศรีวิราชเนี่ยนะคือคือก็เล่าให้สามีฟังก็รู้ความปรารถนาของนางก็เลยเรียกพราหมณ์ทั้งหลาย จะไม่อิ่มในฐานะบริจาคก็ว่าจะไม่อิ่มในการ ก็โรงละแสนโรงละแสนเนี่ยนะก็วันละ 600,000 เพราะฉะนั้นด้วยบุญญาณุภาพ ก็เลยกราบทูลให้พระราชสวามีฟังพระเจ้าศิวีราชก็เลยสั่งให้แต่งพระนครเหมือนกับเมือง ราชบุรุษก็กราบทูลแก่พระราชาพระราชาทราบก็เลยทําให้ พระนางพุสดีเนี่ยนะทรงครรเนี่ยครบถ้วนทศมาทเมื่อธรรมปทักสินณพระนคร เมื่อออกมาก็เหยียดประหัดต่อ มีทรัพย์อะไรอะไรบ้างนะขอสตางค์แม่ให้ทานทันทีเลยนะคลอดออกมาเนี่ยนะก็ถ้าจะว่าไปนะ พ่อจงบริจาคทานตามอัธยาศัยของพ่อเถิดแล้วก็วางถุงทรัพย์กะหาปนะ 1,000 บาทในพหัตที่แบอยู่ เนี่ยนะที่คลอดมาแล้วมาก็เอ่อพอคลอดเสร็จนะท้าวสักกะก็มาวางยาเนี่ยเอาไว้ในมือ ก็ ประเสริฐที่สุดใน ในครั้งนั้นในวันถวายพระนามพระโพธิสัตว์พระปยุตระญาณ เวสสันดรเนี่ยนะก็คือเกิดในระหว่างถนนพ่อค้านั่นเองก็ในวัน เพราะช้างนั้นเกิดขึ้นเพราะมีพระมหาสัตว์เนี่ยเป็น 64 นางผู้เว้นจาก บอกว่าทั่วๆไปนะเค้าจะบอกว่าเอ่อแม่นมที่เค้าให้เลี้ยงเด็ก 1 เค้าก็ต้องเว้นผู้หญิงที่ 1 สูงนะ 2 เตี้ย 3 ผอมนักก็ไม่ 4 อ้วน 5 ดำนัก 6 ขาวนักก็ 8 ก็ 9 ไม่มีโรค พระเตมีใบ้อ่ะนะ เสร็จ 60,000 คนผู้เป็นสหชาตินี่ 60,000 คนที่เป็นบุตร 60,000 พัน 60,000 เลยนะครั้งนั้น พระกุมารนั้นก็พอใช้เครื่องประดับใช่มั้ยเข้าสวม 5 ปีเนี่ยนะนะคะแสนหนึ่งเปลื้อง ทำเครื่องประดับอื่นอีกให้เห็นบอกว่าเอ้อของไหนที่ลูกเราเอาครทำคร 9 ครั้งด้วยกัน 9 ครั้ง ทีนี้พอโตมาหน่อย เรเรานี่ใครๆเนี่ยพึงขอฮะไทยของเราเรานี่จะพึงผ่าอุระประเทศคือผ่าอกเมตนํามหาไทยออกให้แก่ผู้นั้นคือถ้าใครจะ เขียนชโชนะสมัย เพิ่งกล่าวกับเราว่าท่านจงเป็นทาสของข้าเราก็ เสร็จแล้ว 240,000 ยอดก็ดังฉะนั้นเค้าสิเนรุราชก็โอนไปมามีหน้าเฉพาะ แสงเนี่ยนะแวบวาบขึ้นสาครคือ 8 ขวบคิด การ 8 ปีเรานั่งอยู่เนื้อเลือดและร่างกายคือเอาไปเป็น แผ่นดิน อ่าพุทธพจน์หรือตามคําสอนของเราเนี่ยถือว่า แม้แต่เสียงฟ้าผ่าเนี่ยทางทางทางคําสอนของ 3 ทั่วไปก็ แผ่นดินไหวดับขันปรินิพพานก็แผ่นดินไหวแต่นี้แต่แผ่นดินไหวครั้ง อันนี้อยู่ที่คุณธรรมหรือน้ําใจของพระเวสสันดรว่าท่านมีน้ํา โทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสอกุศลวิตกไม่มีกับท่านไอ้ความคิดของท่านที่เป็นไปกับอกุศลวิตกไม่มีอารติเนี่ยนะไม่ยินดีในการเจริญกุศล ให้ทานเนี่ยเป็นประจำสม่ำเสมอความคิดมีแต่คิดจะให้เพราะฉะนั้นเวลาท่านคิดท่านจะคิดว่าฉไหนหนอคนผู้ขอคือญาตก เขาต้องการสิ่งใดก็ขอให้เขาได้สิ่งนั้นๆจนพอ เขาควรได้อนาคามีผลเขาควรได้สักทาคามีผลเขาควรได้ทสโสดาบันเขาควรตั้งแต่ไตรสรณคม เช่นว่าใครที่ควรจะได้โสดาปัตติผลน่ะไกลขนาดไหนก็ไปให้เค้าใครที่ควรจะได้อนาคามีผลอรหัตตผลเนี่ยนะดวนได้บรรลุคุณธรรมต่างๆที่พระองค์ เพราะฉะนั้นเค้าเรียกว่าสะสมอัตถยาสายของการให้ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้ว อ่าผู้ที่รับมรดกจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็น แล้วก็เป็นคนไม่โกรธเป็นคนไม่เบียดเบียนแล้วก็ใจของท่านตั้งมั่นอยู่ในสัจจะแล้วก็เป็นจิตที่ เพราะฉะนั้นพระตนถึงความขวนว่าคือพระองค์จะเดือดร้อนยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรถ้าแต่คิดว่า ทำยังไงเค้าจะอายุยืนยังไงเค้าจะได้ไม่มีโรคทำยัง เนี่ยนะที่ที่เกิดมานี่อย่าไปคิดว่าโอ้นี่เด็ก 8 ขวบเกิดมาแล้วมันจะรู้อะไรบ้างนะอย่าไปคิดสำนวนว่ายังไงยังไงก็อย่าเอาเราไปเป็นเครื่องวัด เพราะฉะนั้นเท่านั้นเองอ่ะนะเพราะฉะนั้นเอ่อเรื่องการจุดมุ่งหมาย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 นะขอให้เอ่ยปากขอขออะไรก็ได้เราจะให้หมดเลย นะ. นะ, 16 ปี พระโพธิสัตว์ก็ได้ศึกษาศิลปะทั้งปวงเนี่ยนะก็คือจบวิชาที่แห่งมัธรราชกุลมี คราวนี้นางพุสดีก็ได้ลูกชายก็ไปขอลูกพี่ชายนั่นแหละที่เป็นลูกนางมัจฉีก็เป็นลูกลุงของพระเวสสันดรเนี่ย อภิเษกอายุ 16 ปีก็ครองราชเลย 6 แสนอย่างมหาทานให้ บางคนนี่ชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจอ่ะนะก็จะไปเล่นกีฬามันจะหมดเท่าไหร่มัน พระราชกุมารนั้นด้วยข่ายทองคําตอนคลอดเนี่ยนะก็ใช้ข่ายทองคําเนี่ยมารับมามาใช้ในการคลอดอ่ะนะเพราะฉะนั้นจึงขนานพระนามว่าชาลีราชกุมารคือใช้ข่ายชาลีนี่แปลว่าตาข่ายนะใช้ตาข่ายรองรับ พระราชธิดานั้นด้วยหนังหมี่เนี่ยนะก็เลยชื่อเรียก